ทโสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ครบค่ะรายการสัสนิยมสนทนานะคะเช้าตรู่ที่เรามาพบกันเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสใช้เวลาที่ยังไม่วุ่นวายมากนักหมายถึงว่าจากภายนอกเพราะว่าคนอาจจะยัตื่นกาไม่ครบก็ได้นะคะมาทําในสิ่งที่เป็นการศึกษาอันยิ่งคือศึกษายิ่งกว่าการเรียนปกติธรรมดาทําไมไดิฉันจึง สรุปอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปถามพระอาจารย์ว่าจริงหรือเปล่านะคะเราจะเริ่มต้นรายการนี้กันด้วยการที่ให้ท่านปฏิบัติทำกันเช่นเคยเพราะฉะนั้นอยากจะให้เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆโดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เพิ่งเข้ามาในรายการนี้ใหม่ๆนะคะก็จะได้ทราบว่าเรามีการปฏิบัติกันด้วยเพื่อเป็นการทำให้ท่านนั้นได้ประโยชน์สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอีกจากรายการ นะคะแล้วก็ไปกราบนมัสการพระพิบูลอภิปุณโญจวัตปารณหายโศกอุดรธานีซึ่งท่านเพิ่งกลับมาจากสังเวชนียสถานนะคะอ่าเราจะอาจจะคุยกันในวันนี้หรือยังไม่คุยเดี๋ยวไปกราบเรียนถามท่านกันก่อนค่ะกราบมัสการกันท่านค่ะเชิญพานค่ะที่ว่าจะคุยก็คือเรื่องไปสังเวชนียสถานอดิฉันเองเนี่ยอยากยกยอดไปสัปาหน้าท่านว่ายอย่างไรคะได้ได้ก็คือจะได้ มันจะมีหลายอยู่หลายประเดน็นจะได้ต่อเนื่องกั น, นเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติที่คุณโยมติวพูดสักคู่หน่นี่ว่าเรามีการศึกษาอันยิ่งเนี่ยการศึกษาอันยิ่งเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งแต่ความรู้ที่เราเรู้ เ, เรียนแล้วรู้อยู่ในหัวสมองเนี่ยก็คือความรู้ตัวทั่วไปแต่ความรู้แจ้งรู้อันยิ่งเนี่ยคือรู้เข้าไปในใจเพราะงั้นการที่จะทำให้เกิดความรู้แจ้งความรู้อันยิ่งได้เนี่ย ก็ด้วยการที่เอาธรรมะนั้นมาส่งไว้ในใจอย่างเราพูดถึงสติอ่าเราฝึกสติให้ตั้งอยู่ในสิตของเราโดยอัตโนมัติแต่โดยวิธีการฝึกก็คือให้เรามีสติอยู่ในลมหายใจใหายใจเข้าหายใจออกก็ให้มีสติอยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาสติก็หมายถึงการระลึกได้นะเรามาระลึกถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติระลึกถึงด้วยการที่มารับรู้ถึงสัมผัส ของลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกในขณะที่เรามีสติอยู่ในลมหายใจอย่างนี้แต่ก็มาใคร์ครวนถึงเนื้อหาธรรมะที่ผู้ชาได้ประกาศเอาไว้ในเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงลองใคร์ครวนถึงเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์ผู้ชาตรัสไว้อย่างนี้กับกระดะบดีผู้หนึ่งบอกว่าริยาสาวกที่ใช้โภกทรัพย์ ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภกรัทรัที่ได้มาโดยทรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่สีประการสีประการคือหเรียาสาวกในกรณีนี้ใช้โภกระทรับอันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนา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 ให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่1ข้ออื่นยังมีอีกคือระยะสาวกพึงใช้โภกรทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบทมในการปิดกั้นอันตรายทั้งหลายทำตนให้สวัสดีจากอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากไฟจากน้าจากพระราชาจากโจร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 นี่เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สและอริยาสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธ ร, รมในการตั้งไว้ซึ่งทักษิณาฐานอุทิศแก่สมณะปรามทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรจะฝึกฝนทำความสงบทำความดับเย็นแก่ตนเอง มันเป็นทักษินาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์หรือเป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สอริยสาวกผู้ใดย่อมใช้ทรัพย์ที่ตนหาได้มาโดยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงือ่อเป็นโภคทรัพย์ที่ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยทำเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่4ประการนี้ถ้าโภคทรัพย์ทั้งหลายของบุคคลใดถึงความหมดไปสิ้นไปโดยเว้นจากกรรมในหน้าที่4ประการเหล่านี้แล้วโภคทรัพย์เหล่านั้นเราก็กล่าวว่าเป็นโภคทรัพย์อันไม่ถึงแล้วโดยฐานะไม่บรรลุแล้วไม่บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลแต่ถ้าโภคทรัพย์ของบุคคลใด ถึงความหมดไปสิ้นไปโดยการกระทาในหน้าที่4ี่ประการดังที่กล่าวนี้โภคทัพย์เหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นโพกทัพย์อันบุคคลถึงแล้วโดยฐานะบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล น, นี่คือเรื่องราวที่พระเจ้าให้ใกล้ครวญเดินป่าค่ะถ้า อ, อาจารย์คะอันนี้เป็นวิธีใช้จ่ายทรัพย์ใช่หมคะค่ะ แต่ที่ทนเห็นหัวข้อที่ท่านได้กรุณาส่งเอกสารมาประกอบด้วยว่าเป็นเรื่องของอสัมมาอาชีวะสมบูรณ์แบบแบบคาริยธรรมจริงๆแล้วเนื้อหาธรรมะส่วนนี้ก็หมายถึงว่าให้เรามีการจัดจ่ายใช้สอยคือมีการทำบัดเจตนั่นเองมีการทำงบประมาณนในรายจ่ายในรายรับของเราแต่เพราะมันต้องจ่ายเนื่งคุณมีเงินเข้ามาก็ต้องมีการจ่ายออกแต่ละสนนั้นจริง ๆ, ๆแล้วก็มีมีปรากฏเหตุ เรื่องของการที่นำพระสูตินี้มาให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเพราะว่ า, ามีลูกศิษย์คนหนึ่งเขามาถามคะ่นะแล้ลูกศิษย์คนนี้เขากเา็เปิดคลินิกในการรักษาคนแล้วปรากฏว่าในขณะที่เขาเปิดคลินิกรักษาคนไข้อะไรต่างๆนี่ก็มีคนไข้คนหนึ่งเขาเดินผ่านมาหน้าหน้าคลินิกแต่เขาก็ไม่ได้จะมารักษาอะไรหรอกเห็นเขาแล้วก็รู้สึกสงสารแตนะเพราะว่าอายุยังน้อยมีลูกด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคุณยมติวเส้นเลือดในสมองแตก วันนี้เราก็คือเป็น stroke เขามีอาการทางกายที่ลักษณะว่าสามต้องจมทำกายภาพก็ช่วยเหลือในเรื่องนั้นให้มารักษาได้ทำกายภาพได้โดยที่ไม่คิดเงินแตนะ่เป็นหลายปีนื่อหละแตนะ่ก็ให้ใหรักษาให้เขาฟรีแนะปรากฏว่ามาระยะหลังก็มาประมาณปีหลังแล้วก็เริ่มขอยืมเงินทีนีนะ้ขอยืมเงินไปเช่นว่าไปรักษาลูกบ้างลูกป่วยอะไรต่างๆเหล่านี้ พอบ่อยครั้งเข้าเนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วทีนี้เราก็เลยบอกเขาพี่นตรงๆว่าจะไม่ให้ยืมนะหลังวันหลังเขาก็ไม่มาอีกอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเราไม่สบายใจนะเอ๊ะเราจะทําบุญหรือทําบาปกันแน่ยังเงี้ยทําบุญบุญไม่เต็มหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เลยนําเรื่องนี้มาให้ฟังเพื่อที่จะวิเคราะห์ปัญหานี้ด้วย อ, อันดับแรกในเรื่องของพุทธพจน์เนี่ยคือพระเจ้าสอนไว้หมดในคุมเตียวสอนตั้งแต่เรื่องการใช้ใจ่ทัพย์สินแบบคารวะ การใช้ชีวิตคู่ครองการทำงางให้ตนเป็นสุขนั้จนถึงสำหรับสรรมนาวิสัยนั่นคือการปฏิบัติเพื่อหลุดออกจากหลุดออกจากทุกเป็นไปเพื่อ น, นิพพานเลยก็สอนไว้หมดตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของคารวาสวิสัยนั่นคือเครื่องหัดนะเอาคุณมีเงินมีทรัพย์มีโพกรรัพย์คุณจะใช้ใจ่ายอย่างไรนะดับแรกในพระสูตรนี้บอกไว้ชัดเจนนะว่าเงินที่หามาเนี่ยโพกรรัพย์เนี่ย ต้องหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโพกซับที่ได้มาโดยทําโอเคนี้นะค่ะอย่างสมมติถ้าคุณบอกว่าเอ้ยฉันทํางานออฟฟิศไม่ได้ชุ่มด้วยเหงื่อหรอกแม้แต่อีตอนที่นั่งประกาศอ่านข่าวเงี้ยบางทีรักแล้มันก็มีเหงื่อไหลออกมากันเป็นกันนะโอเพราะนั้นก็ไม่ค่อยมีค่ะเพ <laughs> ราะนั้นมันก็เป็นในยะที่พระเจ้าได้พูดถึงว่า่เราใช้กายของเราในการที่จะทํางาน คือคือหมายความว่าเป็นการทํางานได้มาโดยสุจริต<ช>กาลังกายกําลังปัญญาของตัวเองอย่างนั้น<ช>ได้ใช่ไหมคะเพระบางคนอาจจะเป็นแค่นักคิดนั่งเขียนตลอด อ, อซึ่งตรงนี้ก็ใช้กายของตัวเองในการทํานั่นเองเป็ น, นญญา ต, ตรงนี้แล้วประการที่2ก็คือเรื่องของการแบ่งใจทรัพย์เนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนแบ่งเป็นสี่ส่ว น, น, น, ส, ส, วนส่วนแรกนี่คือพุะเจ้าพูดถึงเนี่ยคือการทํา กรรมกรรมหมายถึงเจตนาที่เราจะต้องมีการจัดแจงไว้ล่วงหน้าคิดไว้ก่อนแบ่งจ่ายทรัพย์ไว้ทันทีนั่นะคือการทำบัญชีนั่นเองการทำบัญชีหรือทำงบประมาณต้องมี4ส่วนส่วนแรกนัคือแต่ละส่วนนี้อาจจะไม่เท่ากันนะแต่ต้องมีสี่ส่วนส่วนแรกก็คือใช้จ่ายในการเลี้ยงตัวเองเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรภรรยา่าตุกรรมกรลูกน้องต่างๆนะสาม ก็เลี้ยงมิดออมานนี่คือหมายถึงคู่ค้าอจจะเป็นเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่า s u p p เออร์พวกเนี้ยนะนี่คือส่วนที่3เพื่อนฝูงอย่างนี้เลยไดเพื่อนฝูงใช่มิ A อามาในะส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นส่ส่วนแรกนี้แบ่งเป็น 4, 4ี่ประเด็น4ีนะ่จุดจุดแรกคือเลี้ยงตัวเองจุดที่2คือมนาบิดาจุดที่3ก็คือบุตรภรรยานะคนในครอบครัวลูกน้องแล้วจุดที่4ก็พวกหมู่เพื่อนคู่ค้า ตรงนี้สี่ส่วน ค, <ะ>คาที่พระเจ้าใช้ตรงนี้มีความสําคัญมากก็คือบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะบริหาร <c oughs> ให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะคำนี้หมายความว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีไรายได้น้อยนะแบ่งส่วนนี้ออกมามันก็จะได้น้อยถูกไหมเวลาที่แบ่งได้น้อยเราก็ต้องบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องคุณก็ต้องกินน้อยใช้จ่ายน้อยแต่ถ้าคุณมีมากในะการบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง ก็สามารถใช้ของแบรนด์เนมได้กับรถรูรได้มีบ้านหลังใหญ่ได้ <Okay. S 1> อันนี้ก็ไปตามฐานะซึ่งตรงนี้พระเาเคยเปรียบเทียบเอาไว้นเหมือนกับถ้าคนที่มีรายได้น้อยแต่ใช้ใจ่ายอย่างซุริยุร่ายคนก็จะกล่าวหาวห่าโหใช้ใจ่ายอย่างคนกินผลมะเดื่อ <Okay. S 1> ก็คือใช้ใจ่ายสุริยุรายแต่ถ้าเรามีรายได้มากเราก็ใช้ใจ่ายน้อยกระปิดกระเสียเกินไปนไม่ได้บริหารให้อยู่เป็นสูตรถูกต้องนี่ ก็จะมีคนติเตียนว่าโอ้ยจะมีความกินอยู่เป็นอยู่อย่างไตอตุดตายักอย่างนี้ค่ะอันนี้คือส่วนที่1นึส่วนที่1นึ่งส่วนที่2นงเราก็ต้องใช้ใจ่ายทรัพย์ในการปิดกั้นอันตรายนนั้ที่จะเกิดจากไฟจากน้ําจากพระราชาในตรงนี้อาจจะมามองถึงการลงทุนด้วยในการลงทุนด้วยคือคุณต้องเก็บเงินไว้ใช้ในายามเจ็บไข้คุณต้องมีเช่นอาจจะทําประกันชีวิตหรืออาจจะ ใช้จา่ายในการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งซื้อเป็นทองเก็บไว้ราสารนี่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่นะเพื่ออะไรเพื่อที่ตรงนี้มันจะได้ปลอดภัยจากธนาคารล้มหรือว่ารัฐบาลเป็นยังไงหรือว่าเงินหายอะไรก็ตรงนี้จะเอามาใช้ได้ <Okay. S 1> เป็นการลงทุนในให้มันเกิดโตงอกงามขึ้นนะนี่คือส่วนที่สองส่วนที่สามตรงนี้แหละคือประเด็นที่ว่าใช้จา่ายในการทาพลีกรรม นะพลีกรรมก็คือจ่ายไปโดยไม่หวังคืนนะพลีกรรมจ่ายไปโดยไม่หวังคืนแบ่งเป็นยี่ส่วนแต่ตรงนี้ก็แบ่งเป็น5จุดด้วยกันนะจุดแรกก็คือสงเครานะห์ญาติบางทีญาติเราป่วยญาติเรามีอะไรคือเราให้เลยโดยที่ไม่หวังคืนนะส่วนนี้จะหวังคืนไม่ได้เพราะทําพลีกรรมแล้วคือสละออกแล้วอันะที่สองคือสงเครานะห์แขกแขกที่มาที่บ้านาหรือว่าบางทีเรามีเพื่อนมีอะไรเราก็สงเคราะห์ตรงนี้ได้ ส่วนที่จุดที่3ก็คือสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบางทีเราจัดการบูชายอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับมาดาบิดาที่ล่วงลับไปแล้วหรือคนที่ตายไปอันนี้ก็ได้นส่วนที่4ี่คือการทํำสงเคราะห์ชาติราชพลีเช่นว่าเราอาจจะบริจาคให้มูลนิธิเลี้ยงเด็กกาพร้ามูลนิธิคนชลาอย่างเงี้ยก็ได้บริจาคไปนส่วนที่5จุดที่5ตรงนี้ก็คือสงเคราะห์เทวดาก็เป็นลักษณะ อาจจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติของความเป็นเทวดาเนะช่นคนที่มีศีลมีศรัทธามีฉักระมีปัญญาแต่บางทีเราดูเรื่องราวในทางทีวีอย่างนี้เห็นคนที่ได้รับทุกเวทนาคนที่รับประสบเคราะห์กรรมแต่ว่าเขาเป็นคนดีก็มีเรื่องราวมาในทีวีเราจะช่วยเหลือเขาตรงนี้อันนี้คือเงินที่อยู่ในส่วนที่3ตรงนี้ <Okay. S 1> ถามว่าตรงนี้ทำแล้วได้บุญไหมคําตอบก็คือได้แน่แต่ว่าบุญได้มากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าผู้รับแต่เป็นเนื้อ น, นาบุญหรือไม่ ตัวนี้พระพุทธเจ้าจึงได้พูดถึงส่วนที่4ี่นั่ว่าเราทําในเนื้อนาบุญในส่วนที่4ี่นัคือทําทักษีนาทานเพราะฉะนั้นคําพูดก็จะไม่เหมือนกันนะถ้าเราให้ทั่วทั่วไปพระพุทธเจ้าก็จะใช้คำว่าพลีกรรมนสละออกให้ไปเลยไม่หวังคืนถามว่าได้บุญไหมได้แน่นอนแต่จะได้ไม่เท่าส่วนที่4ในส่วนที่4เนี่ยเป็นการทําบุญในลักษณะที่ว่าหวังความสุขที่ได้ผลมากในพบต่อๆไปก็เนระียกว่าทําทักษีนาทาน ก็นะเช่นในสมณะที่เป็นเนื้อนาบุญนะมีความอดทนมีความสงบเงียบสงบสงี่ยมคือกันตะิโสระจัสมีการที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะชำระ ก, กิเลสนะแล้วก็แบ่งบัตเจตส่วนที่4เนี่ยไว้สำหรับการสร้างบุญสร้างอุสนของตัวเองอันนี้ต้องทำนะแบ่งเป<ะ>็น4ีส่วนซึ่งมากน้อยก็แล้วแต่<ะ>นะ4่ส่วนนี้อาจจะไม่เท่ากันค่นะคุ้คะของประธานทูนนะค ะ, ะ<ม>สับประเภทที่4คืออุทิศ ให้แก่สมณพราหมณ์ใช่ต้องเป็นผู้ที่งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาคือเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช่ไหมคะอ่าเป็นเนื้ อ, อนาบุญนั่นเองอ่เป็นเนื้อนาบุญทีนี้เมื่อสักครู่เรียนได้ยินท่านพูดทำนองว่าเพื่อโลกสวรรค์นะคะเพื่อโลกหน้าใช่เพราะว่าการทำบุญตรงนี้จะให้เป็นผลอันใหญ่ในภพต่อๆไปค่ะอะแล้วก็แน่นอน มันก็มีผลเดี่ยตรงนี้ก็เขียนไว้นะว่ามีผลเลิอในเบื้องบนนั่นก็หมายถึงในพบต่อไปอืมอืค่ะคค่ะทีนี้ท่านอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยที่คุณหมอใช่ไหมคะหรือบุคลากรการแพทย์ท่านนั้นเจอคนมายืมตังทั้งๆที่ช่วยเอาไว้ตั้งนานแล้วแล้วท่านก็รู้สึกปฏิเสธไปถูกไหมคะอืมประเด็นตรงนี้ออว่าการที่เราจะอุทิศให้กับคน ที่มาขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆก็คืออยู่ในส่วนที่3ค่ะอยู่ในส่วนที่3มที่เราจะทำการสงเคราะห์คนที่มาหรือว่าสงเคราะห์เทวดาถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนจิตใจดีเราก็จัดบัตเจตเอาไว้ตรงนี้ถ้าหมดแล้วก็คือจบหมนแล้วก็คือจบอหมดแล้วก็คือเราก็ต้องเราก็หมดแล้วอะ่ะแล้วถามว่าเอ๊ะเราจะสบายใจได้ไหมเราสบายใจได้เลยเพราะเรามีการบริหารจัดการใช้จา่ายงบประมาณของเราอย่างถูกต้อง ค่ะ <c oughs> นะพอสมมติเราแบ่งจ่ายว่าเอ้ยเดือนนี้ฉันจะจ่ายเป็นค่าภาษีสังคมอะคุณอาจจะพูดอย่างนี้นะก็จ่ายตรงนี้บางเดือนภาษีสังคมมากมากหน่อยเราก็ต้องกินน้อยหน่อยอย่างนี้ <c oughs> แต่บางทีเอาวมันมันหมดแล้วก็คือจบแค่นั้นแต่บางทีญ <c oughs> าติมายืมเราให้ญาตไปแล้วเราก็ให้ตรงนี้ไม่ได้อย่างนี้ค่ะ <c oughs> ก็นี้เรื่องที่สองที่ต้องทําความเข้าใจในประเด็นนี้ก็คือว่าบางทีเราเห็นคนอื่นที่เขาได้รับททุเเเนนาาาีี่ยแล้วรวรมมค ไม่สบายใจเรามีความทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราอันนี้เป็นคนละเรื่องกันอันนี้ไม่ใช่บาปแต่เป็นความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจแต่นคนละส่วนกันในสมมติมันต้องแยกประเด็นตัองเช่นว่าสมมุติเราถูกตีเราได้รับทุกขเวทนาอย่างเดียงหนึ่งแล้วเราด่ากลับแล้วเราตีกลับแล้วเราคิดชั่วกลับในการคิดชั่วกลับตีกลับด่ากลับเนี่ยจะเป็นบาปแต่ถ้าเราเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วเรารู้สึกเคืองตรงนั้นยังไม่ใช่บาปนะมันเป็นความอดทนอยู่ เป็นความผ่อซึ่งมันเป็นลักษณะของตาบะที่มันจะมีความเสียดสีอย่างที่เราพูดไปเมื่อวานเนี่ยว่ามันมีอะไรมากระทบมันเกิดสนิมเนี่ยเราจะลอกสนิมออกมันจะแสบแต่มันก็จะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเป็นทุกข์ที่ใจหน่อยหนึงตรงนี้เป็นต้นแตเราดูหนังเศร้าๆอย่างเงี้ยเราก็กระเทือนใจไปด้วยแต่เราจะไม่ได้คิดไม่ดีมันแต่ว่ามันเป็นความผัสสะที่มากระทบที่ไม่น่าพอใจตรงนี้เป็นผัสสะยังไม่ใช่กรรมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นบาปก็ไม่ใช่ แต่เป็นความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจเกิดขึนนเกิดขึนได้ตรงนี้ค่ะงั้นก็เท่ากับว่าคุณที่ได้ช่วยคนเอาไว้ท่านนี้นี่ไม่ได้ผิดอะไรในแง่ของการเป็นผู้ปฏิบัติใช่เพราะว่าก็เคยสงเคราะห์เรไปตามควรแล้วแต่ว่ามาบ่อยเกินไปใช่ไหมคะใช่คือเขาจะสบายใจได้มากขึ้นนะหนึ่งถ้าเขามีการแบ่งจ่ายทรัพย์อยู่เรียบร้อยแล้ว <C HA> เขาจะสบายใจได้ตรงนี้หนึ่งการที่ต้องแบ่งเป็นสี่ส่วนที่ท่านบอกว่าพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เช่นนี้เนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องแต่ละส่วนเท่ากันก็ได้ถูกไหมคมันอยู่กับที่เราคิดหรือเปล่าคะใช่ถูกต้องบางส่วนอาจจะมากบางส่วนอาจจะน้อยก็แบ่งกันไปคือบางทีในในร้อยบาทสมมติในร้อยบาทคุณแบ่งอาจจะ40บาทสําหรับส่วนที่1 40บาทสําหรับส่วนที่สองนะอีก สิบาทหรือ15บาทสำหรับส่วนที่3ามอะอีกหบาทสำหรับส่วนที่4ี่อย่างเงี้ยค่ะอ่าแต่ถ้าเงินคุณในร้อยนี่แบ่งเป็นร้อซ็ต์แล้วคนมีเงินเดือนเดือนละล้านอย่างเงี้ยสีบาทบางทีมากเกินไปเราอาจจะสี่บาทแล้วอาจจะสัก20บาทก็พอส่วนลงทุนอาจจะแบ่งเป็นสัก50บาทอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็แบ่งแบ่งไปให้มันเหมาะสมแต่ถ้าคนเงินน้อยนะสี่บาทอาจจะไม่พอก็ต้องแบ่งเป็น50บาทอย่างงี้นะ แล้ว <Okay. S 1> ส่วนที่แบ่งกันลงทุนก็อาจจะเหลือ30มสบาทอย่างเงี้ยก็แบ่งไปค่ <Okay. S 1> นะแต่ถ้า <Okay. S 1> ประเด็นคือตรงนี้คุณยมติว๋วถ้าเรามีการคิดในระบบนี้ <Okay. S 1> เรามีการคิดในระบบนี้เนี่ยใจเราจะสบาย <Okay. S 1> นะนี่คือเรื่องของจิตเลยนะเราพูดถึงเรื่องของจิตนะ <Okay. S 1> คุณมีการแบ่งบัตรเจ็ตอย่างนี้ใจคุณจะสบายเพราะใจคุณสบายแล้วเป็นไงังไงเวลาที่ประเด็นคือที่สองคือตรงนี้ว่าเวลามีประสาทที่ไม่น่าพอใจมากระทบเนี่ยจะทําให้เรารู้จักปล่อยวางได้จะไม่เรารู้จักคลายความทุกข์ตรงนี้ได้ เพราใจเราสบายค่ ะ, ค, ะคือสำหรับคน ท, ทั่วไปก็อาจจะบอกเอ๊ะไม่เห็นต้องมาถามเลยไม่อยากให้ก็ไม่ต้องให้ใช่ไหมคะมแต่ทีนี้คนที่อยู่ในคันลองนะเป็นผู้ฝึกปฏิบัติอ่าก็มีความรู้สึกว่าอยากทำให้ถูกต้องไม่แน่ใจว่าในรายละเอียดต่างๆที่ต้องมาพี่นี้พิเคราะห์กันอย่างนี้เนี่ยผิดพลาดไปหรือเปล่าดิ <laughs> ฉันเชื่อว่าเป็นนะททุกคนนะคะ <laughs> อ่าแล้วก็ อย่างไม่น่าเชื่อคือพระพุทโธนี่สอนเนรายละเอียดจริงๆนะแต่กระทั่งเรื่องของการจับจ่ายรยั์ท่านคะที่ดิฉันได้ถามในตอนต้นดันกลับไปที่เดิมอีกที่ว่าอันนี้เห็นอยู่ในหัวข้อสัมมาอาชีวะสมบูรณ์แบบขารือหัดนะฮะสำหรับขารือหัสก็เลยเท่ากับว่าถ้าเราปฏิบัติเช่นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินมอยู่ด้วยไหคะถูกต้องถูกต้องถูกต้องแน่นอนเพราะเป็นสัมมาอาชีวะค่ะ ทานฝั่งที่รบคางั้นก็เท่ากับว่าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้มาเห็นทางว่าจะทําให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นเรืยอมยมาสีองค์แปดหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพชอบถูกตอ้องในเรื่องนี้อยู่ในส่วนของประกอบอาชีพชอบด้วยเช่นเดียวกันและเป็นเหมือนกับท่านได้ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยแล้วนในกระบวนการดําเนินชีวิตเช่นถูกต้องก็คือเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะนะทำไมมันอยู่ตรงไหนนะคือการที่เรารู้ว่าอันนี้คือสัมมาอาชีวะ อันนี้ไม่ใช่สมาชีวะความรู้เนี่ยเป็นสมาธิิอันดับแรกคือการที่ท่านฟังมาฟังแล้วก็อ๋ใช่ในะอันนี้เออเราแน่จะทำอย่างนี้ให้คุณคิดแบบเนี้ยคุณมีสมาธิแล้วแล้วอันที่2ในการที่คุณทําอย่างนี้ไปความเพียรความพยายามเมื่อฉันมาแบ่งใจ่าบัตเจ็ทนันะลองคิดดูว่าเป็นยังไงเท่าไหรเท่าไหร่ั่นะคิดออกมาไอความพยายามตรงเนี้ยเป็นสมาวายามาแล้วแล้วเราทําตามนั้นเป๊ะ นะเราทําตามที่เราแบ่งใจ่าซัไว้อ๋ออันนี้ให้แม่นะอันนี้ให้ตัวเองอันนี้แบ่งใจไว้แล้วนะทบุญแะไรต่างก็ว่าไปแล้วทําตามนั้นเนี่ยอันนั้นคือสัมมาอ่าสัมมาอาชีวะการที่คุณมามีสติในการที่จะคอยรู้ึกถึงว่าเอ๊ะฉันต้องจ่ายเกินหรือ ย, ยังจ่ายขาดหรือ ย, ยังจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องใช้สติก็มีสัมมาสติด้วยนี่มันตรงนี้ได้มากี่อันแล้วเนี่ย1 2ึ่สามสีอันเลยทีเดียว <c oughs> นะคะอ่าใครที่ เคยมีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติต้นเลยอในส่วนของการปฏิบัติธรรมคิดไม่ถึงเลยใช่ไหมคะว่าการที่เราเป็นผู้วางแผนชีวิตที่ดีดําเนินชีวิตในทางโลกอาจจะเคยแบ่งอะไรคล้ายๆแบบนี้เรื่อยๆอ้ำแต่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยทําทําได้ส่วนหนึ่งละทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี้ถ้าไม่มาฟังคําพระพุท ธ, ธเจ้าก็ไม่รู้เลยนะคะว่าไอ้ที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันนี่มันสอดคล้องกับคําสอนหรือว่า ยังไม่ได้ทําเลยโอ้พระพุทธเจ้าสอนไว้แท้ๆทันที่เป็นเรื่องที่เป็นการปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราแล้วแล้วโพคาซั์อันไหนนะคุณโยมดิวถ้าบอกว่าหมดไปสิ้นไปเนี่ยโดยไม่ได้มีการคิดล่วงหน้าถึงหน้าที่สี่อย่างเนี่ยนะโพคาซั์อันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการใช้จ่ายโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลมไม่ชอบด้วยเหตุผลไม่ไม่ถูกต้องไปเงินเถอะน ะ, ะแต่ถ้าโาพคาซั์อันไหนของคุณหมดไปสิ้นไป นะคือถ้ามันหมดไปสิ้นไปแล้วคุณผ่านหน้าที่4อย่างเนี้ถือว่าดีมากเลยนะผู้ชาติเปรียบเหมือนกับสะโบกกรณีอันหนึ่งนะที่มีน้ําใสไหลเย็นมีท่าเรียบร้อยแล้วก็มีคนเข้าไปใช้มีคนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถึงได้ได้รับถึงการรักษานะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับว่าบางสระเนี่ยอยู่ในที่ของพื้นที่ของพวกมนุษย์อย่างเงี้ยคนเข้าไปไม่ได้นะสระดีก็จริงสวยงามก็จริงแต่ไม่มีใครไปใช้อ่ะแหมมันเสียดายค่ะนะลักษณะนี้นะคะ เหฉนคิดว่าก่อนที่เราจะจากการเนี่ยจะฝากคีย์เวิร์ดที่ทั้งที่ท่านได้กล่าวไปแล้วและท่านที่ดิฉันคิดว่าเป็นคีย์เวิร์ดนะคะก็คือซับเนี่ยสําคัญที่จะต้องเป็นโพกขัพซ์อันตนหามาได้โดยชอบทำก่อนอจะมาใช้ไม่ใช่ว่าอ่าเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาหามาได้โดยชอบทำแล้วเราก็คิดว่าอ่เออมันอยู่ในอ่าครอบครัวเดียวกันอืก็ไป ชกช่วยมาใช้เองไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหค ะ, ะแล้วอีกอันนึงที่ท่านได้พูดไปก็คื อ, อบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง ใ, ในการที่จะให้ท่านทั้งหลายนี้เป็นการบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องใช่ไหมคะก็ะใช้ในทิศทางที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าให้เขาไปทำในสิ่งที่ผิดผิดอย่างนั้นแปลงนี้ได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันใช่ได้เหมือนกัน นะคะวันนี้ก็เลยได้ไปเต็มๆมเลยนะคะในเรื่องของการที่จะใช้เงินของเราให้มีคุณค่ามากที่สุดอย่างไรแล้วก็จะได้ควรเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์กับการที่เราตัดสินใจจะไม่สงเคราะห์ใครในเงินของเรานะคะวันนี้ก็ต้องกราบน้อมสักการขอบพระคุณท่านเพียบบุญเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะเชียมพานท่านฟัทนงที่ครบคะ่ะจริงๆริงว่าท่านเพียบบุญท่านก็อยากจะเล่าเลยนะคะสำหรับประสบการณ์ที่ได้นําคณะตั้งร้อยกว่าชีวิต ไปสังเวชนียสถานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแต่ดิฉันเองอยากจะให้เป็นชุดๆทั้งสัปดาห์ก็เลยยกยอดเอาไว้ไปเป็นวันจันทร์พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เราอาจจะไม่พบกันแต่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้นําสิ่งที่พระพุทธองตรัสสอนแล้วเรานําเอามาถ่ายทอดและได้เห็นว่าใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเอาไปดําเนินชีวิตกันนะคะเพื่อจะได้มีความทุกข์น้อยลงในทุกๆด้านค่ะวันนี้ก็กราบในวันสการ ขอบพระคุณท่านไปบุญไปแล้วตอนนี้ก็มาลาท่านฟังที่เคารพทุกท่านทาง FM106 ติดตาม ร, รับฟังกันได้ใหม่นะคะสำหรับารายการสัมสนีสนทนาในวันจันทร์ค่ะพุทวัสวัสดีค่ะ